การบวชของหลวงปู่ขาวท่านออกบวชคราวแรกบวชที่วัดโพสีบ้านบ่อชันเองตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัด อ, อุบลราชธานีเมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2462โดยพระครูพุท ธ, ธิศักดิ์เจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญเป็นพระอุปชาพระอาจารย์บุญจันร์เป็นพระกรรมวาจาและอยู่จำพรษาเพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยในวัดโพสีถึงหกปีในเวลาที่อยู่ในวัดนั้น สังเกตดูครูอาจารย์และเพื่อนพิสุสามาเณรด้วยกันเราพืชปฏิบัติพระธรรมวินัยก็เป็นลงหลุมดอนๆอนๆผิดผิพลาดพลาดไม่เป็นที่จับใจเชื่อถือได้ไม่สมเจตนาที่ออกบวชเพื่อมรรคเพื่อผลด้วยความบริสุทธ <c oughs> ิ์ใจดังที่ตั้งไว้เมื่อคิดอ่านทบทวนเกี่ยวกับการอยู่และการออกปฏิบัติธรรมจนเป็นที่แน่ใจแล้วจึงเข้ากราบลาอุปชาอาจารย์ตลอดจะอาจมีเพื่อนฝูงเพื่อทราบเจตนาและความประสงค์ในการออกปฏิบัติธรรม อุปสรรคในการออกเที่ยวตัวดงกรรมฐานตอนก่อนปฏิบัติกรรมฐานท่านก็เคยได้รับอารมณ์เขย่าก่อกวนใจนานาประการที่จะให้เป็นอุปสรรคต่ อ, อการบําเพ็ญจากคนทั้งหลายทั้งเป็นพระทั้งเป็นคราวาดว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยเป็นอานแล้วใครจะบําเพ็ญถูกต้องดีงามตามพระธรรมวินัยเพียงไรก็ไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จตามใจหวังได้บ้างว่าการบําเพ็ญภาวนาทําให้คนเป็นบ้าถ้าใครอยากเป็นบ้าก็ออกบําเพ็ญภาวนา ถ้าใครยังเป็นคนยังอยากเป็นคนดีเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ควรออกกรรมฐานเพื่อความเป็นบ้าบานว่าสมัยนี้เขาไม่มีพระธุดงกรรมฐานกันหรอกนอกจากพระธุดงกรรมฐานที่จําหน่ายตะกรุดคาถาวิชาอาคมของขลังต่างๆเช่นพวกสเสนยาแฝดอยู่ยงคงกระพันชาตรีดูเลิกงามยามดีดูชะตาราศีเท่านั้นส่วนพระธุดงกรรมฐานที่ดําเนินตามทางพระธุดงนั้นไม่มีแล้วสําหรับทุกวันนี้ อย่าไปทําให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเลยสู้อยู่สบายอย่างนี้ไม่ได้บ้างบรรดาอุปสรรคที่กีดขวางทางออกบำเพ็ญธุดงควัดในเวลานั้นรู้สึกมีมากมายสําหรับท่านเองไม่ยอมฟังเสียงใครแต่ไม่ขัดขานให้เป็นความกระเทือนใจกันเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายในความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในท่านมีว่าคนเหล่านี้และพระอาจารย์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเจ้าของาศาสนาไม่ได้เป็นเจ้าของมรรคผลนิพพาน และไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจทำผู้อื่นให้เป็นบ้าเป็นบ่อได้พอจะเชื่อถือได้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกับพระธรรมและพระสงฆ์สาวกอรหันเท่านั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามท่านที่พูดหวานล้อมกีดกันไม่ให้เราออกกรรมาฐานด้วยอุบายต่างๆนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรเลยเพียงมองดูกริยาท่าทางที่แสดงออกก็พอทราบแต่ว่าเป็นนักปราบ ห, หรือเป็นคนผ่านมีสันดานเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นคํากีดกันหวงห้ามใดๆที่แสดงออก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 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆที่คัดค้านโดยปริยายว่าเมื่อกระผมและอาตมาไปแล้วถ้าสอนตัวเองไม่ได้เต็มภูมิจิตภูมิธรรมตราบใดจะไม่มาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าตรับนั้นจะหวังตายเพื่อความรู้ความเห็นแจ้งในธรรมเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนกรุณาช่วยจําคํานี้ไว้ด้วยหากยังมีวาสนาได้กลับมาพบหน้ากันอีกจะลืมไปเสียการที่เราจะมีโอกาสได้พบเห็นกันในอนาคตจึงมีอยู่เพียงอย่างเดียวดังที่เรียนแล้ว คือการรู้เห็นทำประจักษ์ใจหายสงสัยโดยสิ้นเชิงแล้วถึงจะกลับมาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าท่านว่าขณะที่ผู้คนส่วนมากทั้งพระอาจารย์ใหญ่ๆทั้งคราวาทีชาวบ้านเคารพน้อมถือกันว่าเป็นนักปราบราชบัณฑิตพูดคัดค้านกี่กันอยู่นั้นใจเราเหมือนจะกับเพชรทั้งก้อนให้แหลกเป็นผุยผงไปในนาทีเดียวและเหมือนจะเหาะเหินเดินไปทางอากาศให้เขาดูในเวลานั้นรู้สึกมันมานะมันกระหยิ่งยิ้มย่องอยู่ภายในใจเราขับจะออกแสงจ้าแจ่มจ้า พุ่งออกมาให้คนทั้งหลายเหล่านั้นเห็นเสียทีซึ่งเป็นลักษณะประกาศตนว่านี่ไงละ่ะแสงเพชรอยู่ในใจข้านี่ไงละ่ะพากันเห็นหรือยังจะพากันมัวประมาทข้าว่าจะไปเป็นบ้าเป็นบอลกูกครัมอะไรต่างๆอยู่นั้นหรือใจข้ากับใจท่านทั้งหลายมันไม่ได้เป็นใจดวงเดียวกันพอจะกว่าต้อนเข้ามามั่วสมชุมนุมกันตายแบบไม่มีคุณค่าเรากับหมาตายอย่างไรกันข้ายังไม่พอใจจะตายตามแบบที่ท่านทั้งหลายจะพาตายอยู่เวลานี้ ข้าประสงค์จะตายแบบพระพุทธเจ้าพาตายซึ่งไม่มีเชื่อแห่งพบเหลือหลออยู่เลยตายแบบนี้ข้าเคยตายมามากต่อมากแล้วจนไม่สามารถจะพนานาปาชาของตนได้แม้ไม่รู้โดยยานข้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงยานอันเอกไม่มีใครเสมอเหมือนเสร็จแล้วก็ลาพระอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายออกเดินทางท่ากลางประชาชนจํานวนมากมุ่งหน้าไปทางพระธาตุพนมเดินบุก ป, ป่าฝ่าดงไปด้วยเท้าตามทางล้อทางเขียน เพราะสมัยนั้นถนนไม่มีแม้แต่รูปห่างนอกจากคนเดินเท้าและทางปีนเท่านั้นในดงใหญ่นั้นช้างกว่าชุมเสือกว่ามาสัตว์ป่าชนิดต่างๆมีเต็มไปทุกขนทุกแห่งเพราะไม่มีบ้านผู้บ้านคนมากเหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนมีเต็มไปด้วยผู้คนบ้านเรือนป่าก็ป่าจริงๆถ้าเดินผิดทางก็มีหวังอดข้าวหรืออาจตายได้เนื่องจากไม่พบบ้านพบเรือนคนที่ไหนเลยแม้เดินทางกัางวันก็แทบจะไม่เจอบ้านคน อุสาเดินบุก ป, ป่าฝาดงมาจนถึงพระธาตุพนมรู้ถึงอุดรห น, นองคายเพื่อตามหาท่านอาจารย์มั่นซึ่งทราบว่าท่านดรมสาอยู่ที่อำเภอท่าบอ่อเมื่อไปถึงและอาศัยอยู่กับท่านได้พักอบรมกับท่านชั่วระยะเท่านั้นยังไม่จุใจที่อยากอยู่เลยท่านก็หนีจากเราไปทางเชียงใหม่ห า, หาเงียบไปเลยคราวนั้นก็นับว่าเป็นคนสิ้นท่าไปพักหนึ่งเพราะไม่มีครูอาจารย์ให้อว่าสั่งสอนพอทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นไปพักบอาเพนเพียนอยู่ที่เชียงใหม่ จึงพยายามตามหลังท่านไปโดยการเที่ยวธุดงกรรมฐานไปเรื่อยๆตามลําแม่น้ําโขงจนลุถึงเชียงใหม่และที่ยวบำเพ็ญอยู่ตามอําเภอต่างๆด้วยความสงบสุขที่ที่ท่านพักบําเพ็ญแต่ละแห่งนั้นล้วนเป็นป่าเป็นเขาและห่างไกลาจากหมู่บ้านมากท่านอาจารย์มั่นเองก็เที่ยวอยู่ตามแถบนั้นเช่นกันแต่ตามท่านไม่พบอย่างง่ายๆเพราะท่านชอบปลีกตัวจากหมู่คณะอยู่เสมอไม่ยอมให้ใครพบอย่างง่ายได้ท่านก็พยายามตามท่านอย่างไม่ลดละ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 ไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเพราะความเป็นลูกหลุมดนดอ น, นของใจเหมือนพักอยู่ที่อื่นๆใจนับวันเจริญขึ้นโดยลำดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความเพลิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาอิ่มพอ